เป็นเรื่องขัดเกา่ากิเลสส่วนทางกายบางส่วนทางวาจานี่จิตใจเกี่ยวเนื่องกับรูปอาการอันนี้ที่ต้องเป็นภาระ คำว่าเป็นภาระคือเราต้องนำไปจิตใจนี้นำภาระไปโลจใจเป็นใหญ่กายเป็นเบาใจเป็นนาย นี่เมื่อเราอบรมใจดีแล้วเราจะเข้าใจกายอย่าง น, นี้ที่เราอาศัยเห็นคุณความดีของกายจะเป็นอย่างไรๆคุณความดีที่เราอาศัยอยู่ที่เราส่วนมุนจำม่ำเสมอว่าพยาธิความป่วยไข้เป็นเครื่องเตือนใจ เพื่อให้ใจเราเข้าใจในการรักษาร่างกายที่เราต้องให้อาหารความป่วยคือความหิวโหวยของร่างกายคือความต้องการปัจจัย ในกันต้นเช่นวินาบาทแต่เราฉลาดเราจะเข้าใจในปัจจัยที่ได้มาจากญาติโยมผู้มีสาตาเลื่อมใสเขาก็เข้าใจว่าเรานี่เป็นเนื้อนาบุญของเขา เราจึงแต่งเนื้อนาให้เป็นเนื้อนาที่ดีเขาจะหว่านพืชก็จะได้ผลขึ้นมาดังนั้นคนทนํานาต้องเล็งดูสถานที่ว่บจะปดูอะไรให้มันขึ้นให้ได้ประโยชน์ กับพืชันนั้ น, น, นถ้าปลูกแล้วตายไม่ได้ประโยชน์เสียแรงงานเสียพืชเองด้วยตรงนั้นผู้เราก็เป็นเนื้อนามุญของเขาเราจึงแต่งแต่งเนื้อนามุญนี้ เ ร, เราเป็นทักษิณายมุคคลเป็นทักษิณาเลิศเป็นปูชนียมุคคลข อ, อภัยเขาจึงว่าเขาทำบุญเป็นทักษิณานพระสมมาสมุเตเจ้าจึงตรัสทรงสรรเสริญวิเชอยาดาดังดาตาัรบัง เดิกให้เพราะในโลกนี้มีลัทธิเยอะได้ศึกษาเข่ากล้าวอย่างในประเทศอินเดียเป็นลัทธิเดี๋ยวนี้ในต่างพุทธศาสนาเกือบจะไม่มีในประเทศอินเดียเพราะอะไร พระรัตที่ต่างๆนั้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจแสดงของกิเลสคือด้านวัตถุกรรมวัตถุกรรมนี้เป็นเหยื่อล่อเหมือนปลาที่มันกินเบ็ดก็เหยื่อไปเสียเบ็บดเขา กลาก็ไม่ได้กินเบ็ดกินเหยื่อปลาเป็นอาหารของเขาไปตรงนั้นจริงที่เป็นเหยื่อนั้นเห็นง่ายครับคณนี้างศาสนานั้นท่านเล็งผลประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมผู้ที่ เป็นเนื้อนาบุญของเขาต้องแต่งเนื้อนานั้นให้เป็นเนื้อนาที่ดีขึ้นมาหวานพืชครับ<ม>เนื้อนาของเราเนะ่เหมือนกับเครื่องโลของเขากับแต่ผู้คนมีปัญญาเขาในทางศาสนา ท่านถึงสอนให้บำเพ็ญความดีอันเป็นหน้าที่ของผู้ดำรงทรงพระพุทธศาสนาอธิจิตเตสัปปะปัจจักเรณังความไม่ทำบาปกุจราสู้บาสัมปดา ยังกุศลใ้ถึงพร้อมบรรดากุศลคือความดีต่างๆที่จิตฉลาดเห็นความดีบาปนั้นดึงดจิตใจไหวไปในทางชั่วเชยนโลก มีความเบียดเบียนถึงกันในกันสัตว์ใหญ่มันกินสัตว์เล็กนี่เบียดเบียนถึงกันในกันตัวทางศาสนานี้เว้นการเบียดเบียนถึงกันในกันเพราะฉะนั้น็นถึงบัญญัติในพุทธบริษัทผู้ที่ส่งเสริมเป็นพุทธศาสนา ให้มีสีสีนั่นเป็นกแดงถึงพุณธรรมของพระขันนี้เดียวกอริยบุคคลขั้นโรดาบันเป็นเนื้อนาบุญของคนที่ครอบค้าสมาคมแต่ทางพระ เราคือปาดิโมกกัสังรุสินคือคุณธรรมกันสิ่งที่ถึงดัดว่าเสีังสมดากาตังพระพุทธเจ้าตรัสศีลไว้ศีลเนี่ยสำคัญเป็นเนื้องนามบุญของเขา เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเขาหว่านพืชก็ได้ได้ผลของพืชไม่เสียหายบงอุบายแต่เราเข้าใจในอุบายดังมีกล่าวนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดดึงดูดเหล็กเหนียว หรือเป็นพลังใจดึงผู้ที่ขาดกำลังใจครีวยว่าสินเนียวแน่นในความดีครับหนักแน่นสิน แปล ว, ว่าไม่หวั่นไหวศีแลแปลว่าเย็นก็ได้ผู้ที่มีศีลปกติแล้วผู้เก้าไกล้ก็ยินธรรมะธรรมมาเหมือนภูเขาภูเขาใหญ่มันมีความเย็นของภูเขาบุคคลเข้าไปใกล้ก็ยินและไม่หวั่นไหว กระเดือนเพราะลมที่พัดมาจะตุระทิศผู้บำกบําเป็นกิจในทางพระศาสนาจึงมีสีลนพระพุทธเจ้าจึงตัดสีลังสมนักขาต่างส่วนละเอียดอ่อน สมาธิสมรักฆ่าตูตรัสสมาธิไว้สมาธินี่จิตรวมเป็นหนึ่งกับจิตไม่ไหวไปในเรื่องราวต่างๆไม่ไปไปตามสัญญาอารมณ์ เป็นพลังกิตที่รวมเป็นหนึ่งแล้วเหมือนกับเหมือนกับกระแสน้มกระแสน้มที่มีรวมเป็นกระแสเที่ยวอย่างเชาเมืองก็ททำเมืองเคยไปเห็นแล้วไปอยู่ที่อ่าดบุรีเขาฉีดดินขึ้นไป ่วนที่เป็นแร่กับกอง่วนดินก็หลอยู่กับที่อีกหนึ่งแร่นั้นหนักจึงเขาเขาเรียกว่าเด็บขีดอองแร่ถ้าคนถ้าถูกน้ำด่เป็นเกลียวกาดเป็นชิ้นชิ้นเนี่ย ความดีคือจิตที่เป็นสมาธินี้ก็เหมือนกันเป็นเกลียวเป็นพลังเป็นพลังของจิตและเป็นพลังอันนี้ดึงจิตภายนอกแต่รห ล, ลายๆท่านแต่รบังเป็นจิตที่แต่กล้ามันดึง ถ้าโลกมันมีความทุกข์โดยสภาพมันมีทุกข์อยู่ที่เป็นเปนเองครับไม่ใครทำอะไรหรอกมันเป็นมาเชื่อของโลกมันติดมานมนานนะ่เชื่อโรค ที่เราส่วนพยายามที่ทำเป็นธรรมดาแคิโรกายยังอาสัยนายแพทย์แต่ถึงอย่างไรก็รักษาไม่หายง่ายๆทั่วขณะชั่วการชั่ววิรามันแบ่งเบาแบ่งปะละอันโบ่านไม่หนักเท่านั้น แต่เราปฏิบัติทำให้เข้าใจในความทุกข์ของกักขันจิตนี้ก็มั่นในความดีจึงเข้าใจในความทุกข์ของร่างกายแต่จิตที่เป็นสมาธินะ จิตมันแรงสว่างก็สามารถที่จะแก้ไขความทุกข์ทางกายได้เพราะธรรมะเป็นยาการทุกข์ของร่างกายนอกจากกรรมที่เราทำไว้ในอดีต รักษาเท่าไหร่เท่าไรคุ้หายากเพราะกรรมที่เราทำไว้เมื่อหมดกรรมเมื่อไรก็ไปขัดเก็บคงหายกันนี้พลังของของสมาธิ ปาขั้นต่ๆคนมองไม่เห็นจริงๆอารมณนิงานของบุญถ้าบุญเป็ น, เ ป, นเป็นสูงขึ้นไปอย่างผู้ํำเป็นสินสองยบ็บริสุทธิ์บริบูรณ์อามิติญาณก็มีกันคนไม่กี่ หลวงครูบาอาจารย์ที่ทันเจริญกรรมาฐานท่านไม่ได้พูดอะไรแต่บารมีที่ท่านทำไว้ใหผู้ที่ได้เห็นเห็นกรรมอัศัยจยันน่ารื่มใสในบารมีของท่านเด็กๆ ก, ก็รื่มใสดึงดึงทิตชาจิวอนเข้ามา ทางผู้บริการกมีความลึมใส่มียงจ้าสังกโปดารีออกจากการเบียดเบียนไม่ใครเบียดเบียนเบียดเบียนไม่ได้ยิงเราทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ความปิติคือความบริสุทธิ์ด้วยความดีด้วยสมาธิจิต เดินวงชานชินวีตกคือตรึกอยู่กับอารมณ์วันหนึ่งวันหนึ่งอยู่กับอารมณ์มานั่ น, นถ้่ว่าเราทำได้เราจะเห็นภายในใจของเราความเย็นเย็นความเย็นนี่กให้เกิดปัญญาคือความที่แหลแมคมคมขยีลึกเข้าไป ไล่ตัวอายงสาอิจฉาถ้าจิตเรามีชาอยู่ในใจมันก็เย็นไม่ได้ร้อนเพราะมันเป็นไฟเผาอยู่ในใจของเราพอจิตเมตตามีดอกปีติสุขเอกตาลมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดินจนชำนาญคือวัดสี พอจำนา น, นั้นก็เดินละองสองปิติสุขมีสามปิติสุขนั่งถ้าจิตสงบระงับนี่ตามเหตุผลฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ัองอท่านเอาจริงโอจังเป็นคืนเป็นเรียกว่าเที่ยนเอาจริงเจัง เป็นค้นๆเนี่ยจึงจะชัดจะฆ่ากิเลสได้ตอนพระสงฆ์เราเนี่สังโคดูคัดราคาตาจารวิขาตาจะรีแต่ฆ่าฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสไม่ต้องเดือดร้อนอะไรให้ฆ่ากิเลสถึงจะไปฆ่าตัวเราเองโักายนี่ไปเรือนอยู่ของกิเลสส่วนกิเลสที่มันจัก ยุแยเย่ให้ใจเราไปแสบายไปแล้วเรื่องต่างๆนานาประการมันถูกยุแยเย่เหมือนองคุริมานอ ง, องคุริมานถูกปาปมิตรยุแยเย่ยให้เพื่อนคกลีดก็องคุริมานเป็นคนดี อ, นอย่างนี้ มันคนที่มีความดีเพื่อนอิจฉาบางท่านแต่ณาที่บายว่าคนที่มีคุณธรรมมันหอ ม, หมเลอปินคุ้งไ ป, ไ ป, ไ, ปาา ไ, ไปตามลตามตามลมไปทวนลมว่ากินตาชาติกินตาชาติมันไปตามลมเลยไม่สามารถไปทวนลมได้เพระาะพรังงานจึง โด่งดังไปคุณธรรมอย่างที่ว่านเคยเห็นอย่างหลวงปู่มัน่นคุณนี้แกไม่เคยเห็นหรอกเห็นหลวงปู่มัน่นเห็นเห็นหลวงปู่มัน่นเป็นนิมิตรขึ้นมาแล้วแกเคยสร้างรูปหลวงปู่มั่นไว้ คนที่มีท่าทางเรื่มใสท่านก็เยี่ยมท่านไปเยี่ยมท่านไปได้ไปไหนคุณความดีของท่านมันมีอยู่อย่างท่านพ่อดีนี้ก็เหมือนกันคนไปขออะไรที่สุจริตสุจริตธรรมไม่ผิดศีลธรรมท่านก็ให้อุบายไงคนอื่นแก้ไข คือเข้าดนดันบันดาลจิตใจของบคนบืนให้แก้ไขที่ผิดก็ให้ไปให้ถูกขึ้นมาไม่ใช่ว่าคนผิดจริงๆรือไปแก้ถูกอย่างนี้ไม่ได้คนที่ผิดเขาว่าผิดแต่ไม่ผิดจิงแก้ให้ถูกตามุณทธตามความเป็นจริงผลก็ปรากฏมีความสถาภูมิใ จำวาดเฉยๆนอนเฉยๆอาภิดิหารให้เราบำเพ็ญทำจิตของตนให้ดิ่งเมีไยไอเย็นเอกนแสงสว่างมันคอยโงขึ้นในใจยยิ่งใจเป็นทุขเย็นอารมอย่างอื่นไม่มีความโลภก็ไม่มี ความโกรธก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีแต่ว่าความมีคนที่มีคุณธรรมระดับขั้นนั้นเขาทำม่แล้วทำมาหลายพอพหลายชาติผู้ที่บำเพ็ญิศสงบนะครับ ถึงชา้นสี่เขาเรียกว่าสัญญาเวเดนิโรตยิงพระที่ทั่นข้าวนิโรธาธรมาบัตหมันจ็ดวันเนี่ยเนี่นทําบุญกับท่านเหล่านั้นมันปลากขาชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาแต่ผู้กระทําก็พูดไม่ได้พูดกับคนไม่รู้นั่นก็ไม่ได้มันเห็นกันก็นกรู้กัน แสงสว่างแต่คนแสงสว่างมันเพิ่มแสงสางคือความดีตัวพุท ธ, ธนะที่เราต่านอธิบายว่าเรามีมีสติคุมคมจิตอยู่กับลมหายใจให้คือข้าวหายใจออกบริกรรมคือพุทธหายใจข้าวพุทธยาวพุทออกยาวกับพุทธองค์เพื่ อ, องค์ภาวนาะ จิตก็อยู่กับธรรมะคือสติสติคุมจิตอยู่กับลมแล้วจิตนั้นก็เกิดความรู้ตัวพุทธะเกิดความรู้ในขั้นต้นก็รู้กายรู้ภายในกายอยางนี้กรวราระในกายอยันนี้เราเราตนๆยังไม่ยังไม่เห็น แต่ต้องบำเพ็ญก่อนทำเฉยๆเยมฆขาเข้าไปรู้ไว้เฉยๆเรียก ว, ว่าชาิชานนี้เรา่ารมณ์เผาหมดเลยถ้าไม่ได้เเกิดว่าสีจำนานเกิดว่าสี จนวาสีนั่นชันานตัวยานก็ยัางรือยานนางมุตปาณียานนั้นเกิดขึ้นเล ย, นเนยปัญญาอุปาณีปัญญาส่งเข้าไปมันก็ใช้เอ็กเรเครื่องคอมมิเตอร์ของเขาอะมองเห็นหมนในใน่านกาย ธรรมะคำ ส, สอนในทางศาสนาผู้บําเพ็ญแล้วเราดูถูกดูมิ่กันไม่ได้แล้วของจริงมันเป็นคงของจริงนี่จิตเราจึงบริสุทธิ์ขึ้นมาจิตเราไม่บริสุทธิ์ก็พยายามทําจิตในอารมณ์ีสติอยู่สตินี้สติสติปัญฐานก็ได้พิจารณากายเกิดความยินดีกับพิจารณากายอาสุ อสุภังอสุพอสุภังในบางบางก็ทันเบียงไห้คนฉลาดพุทธานุสติจะรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าเมตตาคือปรารถนาคือความสุขม น, นางอุตราธิดานางสุิมาถือกระ บ, บวยน้ำมันมาจะรถด้วยความอิจัก คุณนางอุตราจึงเออนางนี้มีคุณกับเราจริงคุณธรรมโลกนี้มันแคบเว้ยคุณความดีที่ไอตัวเองได้บำเพ็ญทานได้บำเพ็ญศีลได้สนับรับฟังไม่ใช่ของหายของยาว ปกภูมิภูมิของจิตมันถูมเลยมันมองเห็นชัดนางเอลเล่มนางม่จะดุ้งเอเอกลือนตนเองอยากโกรธนะด้วยคุณธรรมคือความไม่โกรธโกทงังคัตตวานาโซจติโกทงังคัตตวานา มาโซ่จรติฆ่าความโกรดได้ไม่ชอบสู้พอรถน้ำน้มันมันก็เย็น เ, น ย, เย็นไปเลยต้องท ร, รมากท่านจิตมันที่เที่ยงดิ่งมีอารมณ์ปเป็นหนึ่ง นางเป็นมาเนืเอ้อไอ้น้ำร้อนไม่รอ้อนน้ำมันไม่รอ้อนไปตักมาใหม่ก็วิ่มันเย็นอีกใครแบบสุทธได้ก็ห้ามมีเอามารักษาเอามารักษาตัวอาบน้ำอุน่นง่ายได้ง่ายรักษาจิตนี่จิตนั่นเป็นแผ่นดินเพราจิตที่มีธรรมะที่มีเมตตาธรรม ธรรมะมันมีถึงแปดหมื่นสี่พันถ้เรามีความชํานาญในในธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่เราสั่งทมมาจิตที่เราทําภาวนาบ่อยๆพาปิตาบาวุธวิกตาทําให้มันมากพิญญายะรู้ยิ่งเนี่ยพิญญายะรู้ยิ่งจริงที่ก็ไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาคําสอนนี่ในตางนานะประมาทกันไม่ได้ ถ้าเราประมาทเราก็คนตายแล้วประมาณโดมาจุโดปดังความประมาทเป็นคนตายไม่เห็นความดีในทางศาสนานี่ว่าทำเหตุผลเพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาในขั้นต้นทำใจของตนไม่มีธรรมะคือสอติ เดือนชานถูกเอก เ, เ่ยมีอรรมเป็นหนึ่งพ mm hmm. อฌานที่สองเข้าปิติสุขฌานที่สามสุขเอกตาฌานที่สี่ก็เฉยๆจะได้เห็นทุกข์เลยภูมิของพระอริยบุคคลขั้นต้น เห็นทุกข์ก็กรร่างกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์บาอาจารย์แก้นุกขังววมันมันทนไม่ได้มันอย่า ง, งพวกพี่ไออย่างเงทนไม่ได้ก็หลบไปหายามาเพราะมันทนไม่ได้ครับแต่ถ้าทนได้ก็มึงก็ทนธรรมะคือขันติเป็นบารมี เราทำได้ข้าไหนเราก็พอใจคือพอในทำข้อนั้นความพอเนี่ยเป็นคุณธรรมอันสำคัญมันไฟที่มันดับหมดแล้วเอาเชื้อไปใส่ก็ไม่ไหมจิตที่มันพอแล้วให้อย่างไรมาเชยเมืนั้นท่านอาจารย์รยยยอูกภาษีก็ไปเห็นไปเผา เาไงคนที่เขาเสียดาแล้วเขาเฉยตัวเสียดานจากูตัวดับพลุกตัวผลในในสัจะธรรมสทุกสมุทัยนิโรธมรร